เวียนไหวตายเกิดนานขึ้นไปถ้าอยากจะตัดภบตัดชาติตัดการเวียนไหวตายเกิดต้องทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แ, แล้วเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เรื่อยๆมันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่ลืม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 ลองถือศีลแปดกันดูการถือศีลแปดนี่เป็นการเลิกเลิกการละการหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายเพราะถ้าถือศีลแปกก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้กินอาหารมากเกินไปไม่ได้กินอาหารพออยู่อย่ากกินเพื่อความสุข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 ถือสีนแปะนี่จะให้กินพอประมาณหลังเ ท, งที่ยงวันก็พอแล้วกินกินก่อนเที่ยงวันก็พอหลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องติดนะหรือถ้าจะให้ดีก็กินมื้อเดียวไปเลยอย่างาพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะฉันมื้อเดียวไปบินรบาตกลับมาจากบินรบาตก็ฉันเลยฉันเสร็จแล้วก็จบวันนั้น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 องพาทย์พยน์มหาลศกมหาเจริญสติต้องทำกันอย่างเอาจริงเอาจังทำกันแบบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอาทิตย์หนึ่งคนจนได้คนจะมี ว, วันปฏิบัติทำจริงจริงสักวันหนึ่งก็ยังดีเป็นค า, ารวาะ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 แล้วมันทุกข์ตรงนี้หนีไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันก็ตามไปตรงนู้นเนี่ยมาอยู่บ้านหนีจากที่ไหนมามาอยู่บ้านอำเภอเนี้เดี๋ยวมันก็ตามมาหรือว่าถ้าหนีอีกมันก็ตามไปอีกวิธีที่จะตัดความทุกข์ต้องไม่หนีมันต้องเข้าไปหาหาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วไปแก้ที่เหตุ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 โรคมากก็รักษาสินยาถ้าโรกน้อยก็รักษาสินง่ายคนทําบุญทําทานนี้จะมีความเมตตามีความปักแนาดีจะทําอะไรนี้จะระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทําบุญนี่จะไม่สนใจอยากจะได้อะไรต้องหามาให้ได้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 ด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อนวันนี้จะรักษาศีลไม่เกินรักษาศีลไม่ได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ศีลห้าไม่ได้ศีลแก็รักษาไม่ได้เกิดรักษาศีลแปดกันบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยรักษาศีลแปดกันมั้งนับได้กี่ครั้งวะ ER> นับได้เป็นครั้งเลยนะ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 จะเพิ่งผ่านมากระท่านทาสมาธิอย่างดีเลยนะคะ ท, ที่แล้วเนี่ยแล้ววาริติ์นี่คนชวนไปดูหนังหนงดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องคนพบคนพบคอมวิธีทาของคอมพิวเตอร์ปรากฏว่านั่นก็ดูตอนตอนบ่ายนะคะคืนนั้นก่อนนอนอสามทุ่ปรากฏว่าสมาธิพังน ะ, ะไม่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 แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใ น, ในพและและอีกข้อหนึ่งท่นอีกข้อหนึ่งฮะที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนอนนอนนอนบนพกนุกงหนาหนาเออนอนสบายสบายมันจะนอนมากเกินไปอันนี้ต้องนะก็ออลองดูเสียลอง้าอยากจะนอน น, น้อยๆลองลองนอนนอนบนพื้นแข็งๆ <c oughs> นอนได้พอาะร่างกายมันพักผ่อนพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอน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 เสียเวลาอันมีค่าไปเวลานี่มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะเวลาที่จะได้ปฏิบัติเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปมันไปแล้วไม่กลับเหมือนแสงเทียนที่เราจุดนะแตเมื่อเราต้องเขียนหนังสือแข่งเวลาแข่งแข่งกับแสงเทียนที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเรามีนั่งนั่งนั่งเฉยๆไม่เขียนเนเดี๋ยวเทียนมันก็หมด่พอหมดมันก็มืดมันก็มองไม่เห็นมันก็เขียนไม่ได้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 มีนี่ก็ลังไปใช้นี่ถ้ามีเงินฝากก็ไปไปเบิกเงินฝากหน้าในอนาคตสอนให้สอนให้ไปสอนให้สืบสินแปดไปไปนิพพานถ้าไม่เอาก็ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องถือสิ้นแปดเท่านั้นคนะ่ะคือเริ่มต้นที่สิน้นแปดนละยังต้องมีสมาธิมีปัญญา อ, อี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 ถ้าอยากจะไปเหนือที่เหนือเหนือพม่โลกก็ต้องไปวิปัสสนาต่อได้สมาธิออกมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแ ล, <ส>แล้วก็มีแล้วก็มีเอศีลแปดที่ท่านบอกอันนี้ ก, <ห>ก็ต้องรักษาตลอดเวลาไลางนี่นหมายถึงว่าถ้าห้านี้ไม่ได้อ่ะถ้ามันไปสมาธิมันไปไม่มีแรงไปถึงพม่าโลกเอ๋อมันจะมัวไปดูหนังเนี้ยแม่งก็นี้ก็พูดอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรืองนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีจะ ท่านยังต้องไปปรับตบปรับตรงตัวนะเนี่ยนั่น่านไม่บอกเนี่ยว่าประตูมันอยู่ตรงสิลแปดนี่ก็อย่างเออหลงเหลยลอยชายอยู่นั่นแหละเห็นไหมมาฟังเทศน์นี่ได้ประโยชน์นีได้ประโยชน์ต้องขอบคุณคุณโจ๊บนี่ไปลากตัวมาอได้การได้ได้ฟังทำก็จะได้ยินในฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ําเำก็จะได้เข้าใจดีขึ้นจะทําให้เรากาจัดความสงสัยได้ ทำไม้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทําให้จิตใจสงบผ่องใสเนี่ยอานิสงส์ของการฟังเท่ฟังธรรมถูกทางอ่าั้นกลับไปรักษาสีแดดได้เรานับดูได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรารักษาสีแดได้สักกี่วันเราไปเปรียบเทียบกับเรามาแข่งกับเราดูว่าเรารักษาสีแดได้กี่วันเดอนวแค่อมาแล้วค่อยมาว่ากันว่าเออ เวลาที Hola ่เธอหน่อยนะเวลาเรามองพระแล้วเราดูถูกท่านเนี่ยเราไม่เคยวัดวัดปริมาณของเรากับเขาดูว่าเป็นไงเราไปดูถูกเขาว่าเอ้ยเขาก็แค่นั้นแหละแค่โกนหัวผมเขารักษาศีลได้เรารักษาศีลอย่างเขาได้ป่ะแต่แต่ไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวเนะรักษาศีลแล้วต้องนั่งสมาธิด้วยนะออต้องต้องปฏิบัติ เข้าใจตรงที่ท่านสอนเออเออจากเรื่องสมาธิคือเคยว่าฟังยื่ อ, อ่านจำได้ที่ท่านถาในคําถามถา ม, ถา ม, มีคนบอกว่าไปเดินเดินสมาธิเดินไปเนี่ยเดสมาธิแล้วแล้วแล้วจิตสงบไหมาบางคนก็สงบพราะว่าเดินเดินไปเนี่ยท้าเนี่ยจะ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 ยิ่งเร่งเครื่องใหญ่เลยสมาธิของท่านแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยพเพรามาอีกทีหนึ่งก็เห็นว่าเทียนที่ถ่ายเทียนมันมันไหม้หมดไปแล้วแล้วท่านก็แบบอะีรหมายถึงว่าท่านนี่นะพอสมาธิมันเข้าปั๊บตรงนั้นเสือก็อยู่ตรงนี้นะท่านก็เลยกลายเป็นขอนไม้ท่านเลยนิ่งไปเลยนิ่งสงบจิตเป็นสมาธิเออ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 อันนี้มันเริ่มนะคะมันไม่เข้าเหมือนเข้าไปเหมือนหลมตาที่ที่แบบว่าอันนั้นมันเข้าเป็นบาปกระ t h a หัเพราะว่ามันเหตุการ์บังคับเพราะอะไรจิตใจจิตมันตกใจกลัวมากมาแต่มีสติเดินไว้มันก็เลยมันก็เลยเข้าไปที่มันที่มันปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเวลาอย่างธรรมดาเนีอย่างท่านเราผู้หญิงธรรมดาเนี่ยฮะท่านเหตการเดกันที่ว่าเดินลงกลัวมครับปุ่มอยู่ครั้งหนึง คือเดินจกรมไปแล้วมันเท้าเบาก่ออนอแล้วแล้วมันไม่รู้สึกตัวลักปีจิตที่รู้อืเสร็จ hmm. แล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยเสร็จแล้วมีเสียงของจิตที่บอกมาว่าทางในโลกนี้ไม่ว่าทางแม้หกผิว mm hmm. หรือว่าเป็นทะเลก็ยังมีทางเดินเสมอหมายถึงว่าพบชาติไม่มีทางจะจบแต่บนทางเดินจกรมเนี่ยมันมีทางจา mm hmm. บเสร็จแล้วมันมีแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเสร็จต้นมงต้นไม้ก็ค่อยล้มลงไปอืแล้วก็พื้นดินก็แตกแตกแล้วก็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 แต่เมื่อกี้คุณพูดถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยคุณในมันทุกอย่างมันว่างไปหมดแล้วเกิดขึ้นมาเองอคุณก็เอาอันนั้นมาใช้สเปลยตอนที่มผมท่าอย่างนี้ครับทำว่ามันจิตบ้างเก็บเทียบอารมณ์เช่นว่าสมมุติอย่างอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันฉีดบ้างที่เป็นตัวเก็บเทียบอยู่ตอนนี้ที่ทำ น, นะครับอารมณ์มันมากหรือมันน้อยคือมันมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมากหรือน้อยเก็บเทียบกับความบ้างที่เราเคย <c oughs> เคยฉิดตรงนั้นนะครับไม่เป็นไม้มันทัดนะครับมาวัดกับอารมณ์ที่ว่าเวลาที่ตาเราไปเห็นรูป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 กิเลยสพยายามที่จะไม่ให้เราเห็นความสําคัญของธรรมมันย่ายความให้เห็นความสําคัญของอาหารของขนมนมเ น, ม, นมากกว่าครัอย่างแค่สี่ห้าก็จริงๆคนธรรมดาก็ว่ายากครับแต่พอไปไปเป็นจิตรักษาแล้วมันไม่ต้องถืออะไรเลยอพระจิตก็รักษาของเขามีพระจิตก็รักษาเองออืแต่นี่อย่างที่พระอาจารย์ว่ า, า, มาไม่ตั้งใจออืมถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจก็รักษาแล้วงแต่คนต้องตั้งใจไม่ยากอแล้ว กินอย่างเดียวครับผมเพราะว่าผมนอนที่นอนต่ำอยู่แล้วอผมนอนกับไอ้ม้หักอยู่แล้วนี่กล้ามล้วเดีนี่นอนน <c oughs> อนอปวดกระดูกเลเดี๋ยวนะลองไปทํานะอใต้ศีลห้าแล้วแคนี้ก็ต้องขยับขึ้นศีลแปดถึง แ, <ต>แต่แล้วก็ต้องปฏิบัติทั้งเต็มวันทั้งวันเลยหยุดเรื่องถ้าศีลห้านี่ครับ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 เขาก็มีจิตใจเหมือนเราเขาก็มีร่างกายเหมือนเราแต่ว่าร่างกายเขามันเล็กกว่เราเท่านั้นเอง แ, แต่ความรู้สึกนึคิดความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกไฟเผานี่เหมือนกันที่ที่ที่ที่ร้านร้านกาแฟทางหง s. <S ั่มีมีสวนเลยแม่เออมันมีจอมปลวกค่ะตั sure> ้งแต่เขาเล็กๆแค่เน้ยเราเลอยู่ยุ่ก็คนสวนมาก็บอกว่าเอ้ย ชีดชีดทิ้งไปกว่านี้ไ ป, ไปยุ่งของฉันเดี๋ยวนี้เขาขนาดนี้แล้วนะฮะเขาก็องมต้นไม้ไปก็ปล่อยเข้าไปเ้าจะเป็นภูเขาก็ปอยลงไปลงไปทํานั่นนี่โอ้โหไม่รู้ไม่รู้กี่โกดกี่ล้านงดในนั้นนะจอบหลวงที่มันอยู่ในนั้นจริงไหมท่านใช่เป็นเมืองไงเป็นเมืองวันนี้ไป <โห S 2> ทิงระเบิดนิวเคียร์ในกรุงเทพเนี้ยโอ้โหกรรมเวรเลยนะ น, ะนะั้น เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้ดีกว่าเอ็บ้านเป็นเมือของเขาแต่เราเขาเขากินเขาก็ไม่รู้ว่านั้นคของใครจริงมันก็ไม่มีเจ้าของออแล้วเราก็เป็นไปทักเอาว่าบ้านเราอืที่ของเราอย่างนี้ก็ไม่รู้จริงมันก็ไม่ไม่ใช่ของเราเพราะเราก็เสื่อมสลายไปวันหนึ่งของเราชื่อข่าว จอไม่ต้องทำบาปเพื่อรักษาเลยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพะว่าไงถ้าจัดในช่วงเวลาทังวนที่เราไม่ได้นั่งเป็นแบบเป็นเชิงโมืองอย่างนี้ น, นะคะแล้วแต่ในระดับถือพุทโธได้ไหมคะมันก็พัฒนาได้ใช่มั้ยเจ้าคะก็ได้ดังไดในระดับของสติถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งก็ออเมันถึงจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ สติเพียงแต่ดึงจิตไม่ให้ไม่ให้ลอยไปลอยมาเท่านั้นแต่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ต้องเข้าไปต้องนั่งมันถึงจะเข้าไปได้เมื่ออย่างในหนังสือปฏิบัติมิชามที่พี่อ่านนี้ยนะคที่มีพูดว่าในใน chapter มันบอกว่นั่งนานๆนั่งจนเหมือนกับร่างกายจะแตกเป็นโยมีนั่นงนีง อ, อันนั้นเป็นระระดับนึงระดับแลับทีนี้หมายถึงว่าแล้วอย่างระดับอย่างพวกโยมนี้คือว่า ชั่วโมงนึงหรือว่าคไปสั่งชั่วโมงที่เราตัดสินด้วยดูกำดูกำลังของสติน้ราเวลาถ้าสมมุติวลาเราหน้าก็เจ็บปวดถ้าเราอยากจะนั่งต่อแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดพุดโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปทําอะไรก็ได้ทําให้ใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บปวั่งต่อไปได้แล้วบางทีมันก็จะปล่อยความเจ็บนั่นมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้สองสามชั่วโมง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 เขาไม่ได้บีเป็นอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้ตายจิตเขาไม่ได้หลุดไปไหนเนี่ยคือการปฏิบัติแต่ไม่มีอาจารย์ไม่ศึกษาไม่ปริยัตยก่อนนีต้องปริยญตยก่อนถึงมาปฏิบัติปริยัตยกันเนี่ยต้องศึกษาบ้างคืาให้รู้ไม่ใช่แต่ไม่ให้รู้ทั้งพระไตรปิฎกหรอกเพียงแต่ให้รู้วิธีการปฏิบัติรู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรแค่นี้ก่อนอันนี้ไม่รู้หน่อยเนยก็ว่าไปแล้วนั่งแล้วจิตจะหลุด ร่างกายจะตายเนี่ยนี่มันเอาอะไรไม่ใครมาสอนมันอ่ะมันจะคิดไปตามความนิ้สึกให้คิดของมันเองหรืออาจจะไปเห็นคนนั่งแล้วเป็นบ้าก็เลยคิดว่าโอ๊ยนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันจะแต่แล้วบานคนเขาชอคิดอย่างนั้นเยอะเลยก็เกเมันไม่อยากให้เราทํอาอแต่เวลาไปเที่ยวไปเล่นการพนันเป็นบ้ามันไม่คิดอย่างั้นไหมใช่ไห อ, อถ้าอันไหนที่เกเรชอบเ่ยมันมันมันทํามันใครจะมาห้ามมันก็ไม่เชื่อ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 ควรจะออกควรจะขึ้นไปสู่ปัญญาไม่ใช่ว่าติดสมาธิแล้วกลับไปดูหนังไม่ใช่ปัญญ <laughs> าไหมจะติดหนังนี่เราติดสมาธิหรือ เ, เรื่องเดียวนะนะบางที ด, ดูหนังก็เหมือนนั่งสมาธิไม่ใช่เหรอเวลาดูหนังนี่จิตจอดๆ <laughs> ไม่ไปไหนเลยบวฉชียังไม่ยอมลุกเลยวิด <laughs> <Video S 1> <laughs> ีโอเองเฟซบุ๊กเอง นี่แต่ท่านานกลับมากลับมาที่สนใจยังไม่จบนะานี่ยเนเรื่องเกี่ยวกับจิตเน่ะที่แบบว่าเกี่ยวกับหลงตาเนี่ยที่ที่จิตเข้าไปอยู่ที่ของมันในเนี้ยแต่ตอนนี้เวลาตกติแล้วมันออกมามันขยายตัวใช่ไหมคะ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 ซักเสียงซักซักอะไรนี่มันถอดออกเข้าใจแล้วเวลามันอยากจะรับรู้มันก็เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่เหมือนเครื่องอันนี้ติดอยู่นานไม่ทราบไม่มีใครบอกเหมือนเครื่องคอมของคุณเยเวลาทูณจะเล่นของมีเสียงคุณต้องเสียบปลั๊กเข้าไปในรูเสียงก่อนอยากจะเห็นภาพต้องเสียบต่อไปก่อนภาพมันถึงจะโผล่แต่ีตัวเมนโมเดมตัวฮาร์ดคอมมันอยู่ในนั้นนะมันอยู่ในนั้นไม่ไปเห็นมันหรอกตัวจิตอยู่ในนั้นอะ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 ไม่ทำแล้วไม่ถาำแล้วเข้าใจาลองไปทําให้ทําลองไปทําให้เจอไอ้ตัวนี้ก่อนเใช่สงสัยอยู่นานนะอะเลยทางนี้มีอะไรไหมฟังข้างบนนะฮะฟังข้างบนแล้วเหรอค อ, อยเก็บเอาข้างๆต้นเอาครับเออ <laughs> วันนี้ก็ได้หลายเรื่องได้เรื่องศีลได้เรื่อง ส, อง ส, องสติได้เรื่องสมาธิ ้องพยายาศึกษาอ่านหนังสือธรรมะให้มากๆก่อนในเรื่องต้นจะได้เข้าใจปล่อยต่อนีนเรื่องเข้าเกี่ยวกันนิมิตนะ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากถูกจับนะมีอันหนึ่งที่อาทิตย์ที่แล้วนุ่นก็พี่จริงก็ก็รู้แหละท่านบอกว่ามันก็นิมิตนั่นแหละก็เช้าล่ะก็ไม่ไม่หลับเล ย, เลยก็อ๋อ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 แล้วแม่นั่นตงตนั้นหายู่ไหนเอ๊ะเขาหายี่ไหนเดี๋ยวใบก็าไปนอนนอนตรงที่นอนเตียงเดียวก็ไปกลบเา้าอ่ะเป็นไงถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าเขาเนะนี่ยนะนุ่มเหมือนแมวซึ่งเพิ่งตายอะอ่อดละทวยนะแมวก็แม่ตายนเะฮ้ยตายไดนะ้ไงเก้อจ้าหนุนงาน ก็ตายก็สองได้ไงอ่ะเขาตายไปแล้วอ <shared> ่ะแลจิตจ <od VID ra proposing> ิตมันก็แบบพลวงแปลก็ก็เลยต้องก็เลยก็ขยับตัวบอกมาบอกที่นี่ว่าทำไมทาไมวันที่สองบอกเราว่าแม่ตายหมดจะมาลองหรือว่าเราจะร้องไห้อีกเปล่าชื่อตาท่านก็แล้วแต่เราอ่ะใช่ไหมว่าอันนี้นะเป็น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 อันนบางทีเวลาที่เราฝันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับรายงานผลการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ถึงตรงไหนแล้วเราไปถึงตรงไหนแล้วจริงก็ดีนะคะท่าก็ดีเลยไม่ใช่วิธีการไอด้คำตอบแต่อันนี้ผ่านผ่านนี่ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนนะท่านเมื่อก่อนนี่นะตั้งแต่ก่อนที่จะมาอา่านพระธรรมคำสอนของท่านนี่นะ ก็ตั้งอยู่อังกฤษนะเวลาเงียบๆอยู่คนบ้า น, นก็หลังเมื่อคืนมายักษาไม่มีใครอยู่บ้านเลยรูปเลิกเรียนนะสามีเขไปไหนไม่รู้ไปเขานั่งโขมผ้านะถ้าหุยชิน้นเปนเลิศมันก็น้าหนานะกลัวนะท่านกลัวว่ากลัวก็จะมีอะไรอะ่ะพอเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเลยว่าเวลานั่ง น่าจะมาชี่จะเห็นอะไรที่มันน่ากคือแล้วเกี๋ยวเป็นบ้าเี่ยนันเพระเรจะเป็นบ้ากลัวเพราะความเคืองโดยไม่รู้เรื่องว่ามาคามันถึงเป็นอย่างนั้นอืนี้พอมาฟังท่านแล้วบอกไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพรทุกอย่างเป็นดเป็นดวงจิตเป็นเพื่อนเราทุกคนแล้วก็ใจตายไปแล้วก็แล้วก็ที่เราฝันฝันไปแล้วก็เป็นเป็นหนังม้วนใหญ่เป็นเป็นภาพ เป็นภาพความจาของเราไม่ว่าจะชาติไหนเวลาไหนพบไหนที่มันซ้อนกันขึ้นมาใช่ไหฟังหนึ่งก็เลยความกลัวก็เลยหายไปอย่างนี้ไม่กลัวแล้วอค่ดีไงดีก็แก้วนะก็แก่ต้องถามต้องถามตัวเองต่อไม่ต้องยังกลัวอะไรอยู่ก็ไปแก้มันต่อไปกลัวอะไรกลัวอะไรรักอะไรหองวงอะไร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 เวลาคนเจ็บ่ข้ได้กล้วยคนอยากหายไหยอยากอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคนที่เราอยากหายมันนี่จะกินยาถ้ามันไม่อยากหายมันก็ไม่กินยาคนอยากจะไปนิพพานก็จะได้ปฏิบัติเนี่ยคนจะได้รู้ว่าไปนิพพานไปยังไงต้องตัดความอยากอย่างอื่นความอยากที่ต้องให้ตัดก็มีสามตัวแต่แต่อยากอยากของดีๆอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่เฉพาะอยากอยากอยากในลูกเสียงก็อยากในลูกเสียงกิ็นรุ่นนี้ต้องตัด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 อะไรก็ตามอยากให้คนเขายกย่อ ง, สงเสริญเสียนเดียนยานับหน้าถือตาต้องตัดไปความอยากแบบนี้ตัดไปแต่ถ้าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องตัดเพราะเหมือนถึงกินยาอุนี้กันยาต้องกินยาถึงจะหายเข้าใจเนะขาเป็นข้อแล้วว่าการจับการจั บ, จบการจับวิธีคิดของเราวิธีพูดของอเราเนี่ย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 เป็นจานเจ็ดสามเจ็ดสามกือถ้ายางปกติเนี่ยน้ําหนักจะขึ้นสิบกิโลค่ะถ้าเก็บตัวมันลดลงสามกิโลบอกว่าจานเจ็ดสามเลรดมันมีแรงเจ็ดสิบเรามีแรงสามสิบก็จะประคองเอาไว้เนี่ยคือที่ผ่านมาดูก็จะลำเอบอเม่ออาทีตที่แล้วแป๊บลูกหมาเนี่ยกาจะมาเอามาปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์เห็นเลยว่าการที่เราจะวาง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 ลูกหมาที่ไหหมดเลยการเมือานสามเจ็ดสามอืมดีเี้จะได้จะได้รู้ว่าเจ็ดชั่วโมเป็นยังไงแต่มันทราบเลยก็ว่าอ่าว่ามันความผงกะเื่รูเอเบาหมดเลยต้องเรียกวหมดเนื้อหมดตัวแบบที่เวลาเาบอกว่าเบนต้องเจ็บเสียงเจ็เสียงไหมเสียงหมดเนื้หมดตัวอะเจ็บเสียง หลวงตาท่านก็ไปเสี่อมกับกด<ม>อันหนึ่งนะ ใ, <ม>ใช้เวลากับการทํำกรดเลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิพอทํำกรดเสร็จจะกลับมานั่งสมาธิก็ไม่สงบเลยเพราะมันมันจะทงงันทีแล<ม>้วอาจารย์พอเราจะเดินจนกงกรมเหมือนเดินจนทา่าส<ม>ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ประมาณอย่างนั้นเลยลูกอนนี้ยกใค้เข้าไปแล้วใช่ไหมยกเพ่อวัเสาบอกว่ามันอยู่กับหนูจะมาฟังทำก็ไม่ได้มาเองไม่เอาเงนมาด้วยต้งโดนพระอาจารย์าน่หมดเลยครับพอาจารย์โ้ทราบความหมายของที่ทขาบอกว่าภาวนาต้องเอากันจหมดเนื้อหมดตัวหมดอย่างนี้จริงๆอาจารย์ไม่มีอะไรติดตัวเลยต้องตัวเปล่า อย่างพระุดงเนี่ยมีแค่บริฐานอัฏ ฐ, ฐบริฐานไปให้แค่อันนี้ทำหมดเนื้อหมดตัวเลยเอาว่ายังไงพอยั ง, พ อ, อยงพอจะให้พรนะยะถาวะเลยควาหาตุลาปะริกปุเนติสาคารังเอวเมวะอิตุทินังเปตานงอุปกะปติ อิชตังปฏิตังตุมหางคิดพระเมวะสมิจฉะตุสะเพตุเรนตุสังกปาจันทูปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวาจจาตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุทีทีพาโยโกภวะ อาพิวาธานสีลิสะนิจังวุฒาปจายนโนจัตารโธรรมวาวทานติอายุวนโนสุขังภาลังใส่ที่แกอ่าแจกแจกถือได้เลยเอาไปต้องเอาไปอ่านนะถ้าไม่อ่านก็เดี๋ยวไป วีดีเอก็ไปฟังได้อันนี้ลงอะไรท่านมาอนนนนตอนนี้ก็อ า, อาจจะมีเหตุสุดไยฟังพระาจารั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะไม่ได้ว่างงงงไม่หรอกงงง่ยไทำทุกย่างก่อนอนอนตื่นนอน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 ต้องมีจัดแยกเยกอะเขาจะไปครูทอด จ, จ, อะจะไปเที่ยวเลยเขาบ้านแคอยู่หนองคายบ้นานอยู่หนองคาย<น>าะจะไปอยู่ที่วันเลยเหรอต้องกลับงานนเลยค่ะไปแค่เือขาวดีี ท, ทอดก็เดี๋ยวโยมก็ได้ไปเนะเพราะว่าพอดี เพื่อนก็ไปเป็นผู้ว่าที่แม่เคเชิญแล้วก็ท่านฉันทะก็จะไปด้วยอท่านจะไปไหมเจ้าคะเราไม่ต้องหรอกเราอยู่ที่แท็กดีแล้วท่านแล้วตอนนี้แบบว่ามันมีปัญหาอยู่อเมื่อประมาณเสาร์อาทิตย์ที่แล้วน่ะพอดีอ่านข้อความของท่านอาจารย์มั่นท่านก็บอกว่าถ้าเราปุบติดอยู่แบบดีเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ในปัจจุบันและตลอดไป ลูกก็เลยล ก, ก็เลยไปคิดถึงเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วช่วงสามปีที่แล้วไม่ได้ทำ ง, งานสามปีอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่สบายแล้วก็มีอยู่วันนึงลูกชายก็กำลัจะสามโบก็ถือหนังสือของพระอาจารย์นั่อประวัติทไหนมาให้อพออ่านพรรักราฟนั้นก็จบทุกอย่างแล้วก็ลูกขึ้นไปทำงานจบหมดเลยแต่ พอมาอ่านอันนี้เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว่ก็เกิดความทุกข์อย่างนู้นแล้วเราจะทํายังไงกับอดีตที่เราปลูกไว้แต่ปัจจุบันย้ยงก็นึกถึงหลวงพ่อนะคะที่สอนไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่หายไปนะคะก็ไม่ทราบจะทําไงก็คิดว่าเอ๊ะสามหรือ้าปีที่แล้วเราอ่านพารากาานัตของพระอาจารย์มาแล้วเราสามารถที่ไม่สบายมาสามปีลุกขึ้นไปทํางานได้ตลอดไปเลยนะคะแล้ว ตัดได้หมดเลยแต่ทําไมครา้นี้เราไม่ได้นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปเราต้องบาปแน่ๆเลย mm hmm. ก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบอันนี้ไม่ทราบว่าจะบาปป่ะฮะนี่จะต้องเรียนถามเพราะ mm hmm. ก็เลยไปหยิบพระธาตุของ mm hmm. หลวงพุทธาภิชก้อง mm hmm. แล้วก็มองท่านเพราะว่าท่านเป็นแบบคริสตันเยอะมากคนะ่ะ mm hmm. ก็บอกขอเป็น ญ, ญาท่านทั้งทีเพราะว่า mm hmm. ราาูกไม่ไหวถ้าถึงนลูกมา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 ไม่บาปไม่บาปเดี๋ยวโยมก็จะไปทูทอบเหมือนกันแต่ต้องวางใจนะเพราะว่าพอดีหลายๆคนก็ว่าตามท่านฉันทาดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปหลายจังหวัดแต่เป็นจบวนเลยเหรอก็ไม่ก็แบบอาจจะแบบเอโยมไปรถอีกคันนึงแล้วก็รถตู้ที่เขาจะไป ที่นิมนต์ท่านเฉรยนทัไปแค่นั้นไม่ขบวนใหญ่แล้วน่ะแล้วพอดีลองลองผู้ว่าคนที่ชลบุรีแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนักโยมนะฮะตอนนี้ก็ได้ไปเป็นผวบึงการเขาก็อยากจะชวนไปเพราะว่าใครๆก็อยากไปภูท่อดทั้งนี้ไปมาหลายหนแล้วนะคะก็ดีจะไปไม่เสียหายอะไร เป็นบุญแต่ว่าถ้าตั้งศาสนาจะไปยมจะได้เรียนทั่วให้อเช่นนีไม่เคยมีความคิดอยู่ในใจเจผมกับเพื่อนมาจากพัทยาครับพอดีได้ยินชื่อเสียงครูบาอาจารย์มานานแล้วแต่ว่ายังไม่โอกาสได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมนะครับก็อยากจะอ่า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 หรืเซนทําบุญใส่บาตรรักษาศีลห้าครับเปิดนั่งสมาธิครับผมกับเพื่อนก็อยู่ที่พัทยาก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดโพสัมพันธ์อาจารย์มัญญาครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทําบุญทุกวันพระที่ภวัป่าหลองพ่อโบเกต์นะครับก็ทําบุญก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่นอยู่ทันุชนุอ่าใช่ครับก็ทําบุญอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากาศอาจารย์ครั้งแรกก็อยากจะกราบเป็นลูกศิษย์ด้วยครับ มีเวลาก็วันพ้าก็ลองไปนอนที่วัดที่วัดป่านั้นก็ได้อยู่ใต้กล้ๆในค้างคืนถ้าคืนก็เป็นลูกศิษยที่นั่นอยู่แล้วนะวางสีไปนะวางกำไม่นะ้วนะหลวงพ่อโอเคใช้ก็บให้กลับไปกลับไปแล้วเลยวันงานวันที่ยีิบสี่นะคะถอยเจอจ้าถอยจ้าแล้วได้ขาวว่าวันที่ยี่ส้ากับโยวก็เลยไม่ได้เข้าไปกลับท่านเอ มันก็ไม่เคยไปกราบท่านเลยแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมาไม่สักอาทิตย์นายโยมฝันเลยว่าไปกราบท้าแล้วท่านจะสอนธรรมะเยอะแล้วคำสุดท้ายท่านก็บอกคุยเคี่ยว เ, เขาคุยเคี่ยวเขาอาจจะเป็นแบบว่าให้โยู่มาทางธรรมะเยอะๆให้ปฏิบัติทําบุญมากพอแล้วอู้สา่าทิ่งโยมยังไม่ม า, ากเลยให้ทําให้ปฏิบัติได้แลก็แต่ก็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 ย้งว่าแผ่เมตตาจนทุกวันนี้นะเจ้าของไริสัทอะไรพวกเนี้ยหรือพวกไกด์เนี้ยย้งไม่ถึงได้ย้งก็แผ่เมตตาเขาก็มาช่วยเราก็เหมือนให้เรามีกินอ่ะอะไรเงี้ย่ไม่มีอะไรธรรมดาค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเอะดูมีอะไรกว่าเันจะนั่งอย่างอย่างมั้นกคือที่เขาถามว่าแบบที่บอกว่าธรรมะที่เห็นกันจรนดิงแตอแล้วก็ มันก็เป็นนิมิตอย่างเปนนมิต่ี่ตรงที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องใช้ตรงเนี้ยมา<พ>อสอนใจเราไง <พอ S 1> มาเตือนใจเราว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้น <พอ S 1> เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นอย่าง น, นิมิตทิ้งเราต้องใช้ตลอดเวลานั่นคือการที่ก็เรืเ่วัปัญญาภาว น, นาระยะปัญญาอะรมันทุกอย่างมันเป็นแค่แผ่นดินดินน้ำลมไฟเราไปหลงติดอยู่กับสมมติ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 จะไม่มีก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้าลมไฟจะได้ไม่ไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้ต้องเห็นว่ามันเดี๋ยวมันต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟหอย่างอาจารย์่ที่ก็พูดอ่ะกับที่รอ่านของูอาจารย์ที่บอกว่ า, จ า, าิจารณาใจนแตกแยกอาาอกปทีนี้ครูบอาจารย์พูดถึง น, นั่นจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ศ มันก็มิยิบมันก็คล้ายๆกันแต่ความต่างกันอยู่ตงยังไงการหย่าง้ที่กิเลสตันหาตายก็ไม่ตายไงถ้ากิเลสตายมันก็บรรลุถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บรรลุช่วยยังไงท่บอกว่าชั่วขณะจิตไม่ธรรนดาจีตละมันตลอดเวลาเลยแหละพอมันตัดได้แล้วมันก็ต้องตัดตลอดเวลามันถึงเรียกสมุทเฉดถ้าจะตัดได้สองวันกลับคืนมาใหม่มันก็ไม่มมันก็า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 ถ้ามันกลับมาเอ ก, ก็ต้องให้ ม, มาทําไมูเ <c> ณ <oughs> คิดม่าตัดมึงได้แล้วไม่ใช่เหรอกระจาย ไ, ไหมบางคนคิดว่าตัดหนเดียวได้แล้วต่อไปจะตัดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ตัดบค <c oughs> นคนค น, คนเล่าคนไม่อยู่บ้านากินเล่าได้สามเดือนก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมแล้วกูจะเลิกเมื่อไหร่กูก็เลิกได้น <c oughs> ีมันก็หลอกตัวเองอะ่ะเมื่อสคูน นั่นแหะดูจะทํารือเปล่าทำได้ก็ต้องทําไปได้เรื่อยทําไปทุกวันมันถึงจะทําจริงทําทําได้จริงถ้าทําทําแล้วกลับมาไม่ทํามันก็ทําแบบมันก็ยังทําไม่ได้จริงอย่างจริงๆจริงอ่ามันธรรมชาติไปเลยอ่าเมื่อกี้นี้คาพูดที่เขาพูดอะแหมมันจะนักษาศีลด้วยจิตโอ้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 เราไปไม่ถึงเราไปหมั่นไช่เขาเองอะไรวะเราเป็ยังติดอยู่ที่ศีล ต, ต้องต้องสมาทานศีลห้าอยู่แล้วอย่างขวัญตกยุงอยู่ะด้วยกันทำผมอม่ความสุขทางใจทําให้เราว่างเปล่าแต่งานก็ทำเป็นแนะนำลูกค้าให้เขาซองค่าอาจารย์นี้กเหมือนกั น, น ทุกต้องให้เหลือกับงานขอบคุณไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีที่สุดเอยดูอาการของคนนั้นเพราะว่าที่หลวงพ่อเทศในเใจสูงมากทุกอย่างคือความเป็นจริงของธรงมชาติก็เลยว่าหนูสงสัยว่าหนูแนะนำเขาไปอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูก ถูกจริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เชื่อน้ํายาเราเพราะว่าเรามันไม่ได้โกนหัวเรายังแต่งผมยังแต่งหน้าอยู่ก็เลยบอกว่ามันเหมือนแม่ปู่สอนหนูกปู่อ่ะก็สอนได้แต่เขาคงจะไม่เชื่อเราแต่ถ้าหนูโกนหัวแล้วนุ่มขาวห่มขาแล้วแล้วหนูไปทําผมเนี่ยเขาอาจจะเชื่อก็ได้เวาจะขาเดี๋ยวไม่มีใครมาส่ง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 โฆษณาให้มันได้แต่อันนั้นดีอย่างั้นดีแต่บางทีเดินมาผ่านไปแล้วไปเรียกเขาเงียาไปเรียกเขามาค่ะพอเข้ามาทำผมมันใช้เวลานานข้ามามาบ่นเรื่องราวทุกใจอะไรเงี้ยอ่ป้อนยายเขาเลยค่ะแล้วก็พูดถึงอาจารย์สอนที่้เขาจะรับไม่รับไกเรื่องหนึ่งถ้าเขาไม่รับก็หยุดพูดได้ใช่ไหมได้นองพ่อบอกว่าครูสอนอ่าแต่ว่ามันจะได้ผลเรือเปล่านั้นค่ะแต่ี้พูดนมีความสุขอาเลยืไป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 เกเลับอ่าก็อย่าไปเสียใจ เ, เขาไม่เข้าใจเราหรือแม้เราจะแต่งกานเขาอาจจะเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ใจเราอาจจะไม่มีความยินดีกับมันก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้คดีตั้งขึ้นพูดียนถึงเรื่องทางคารอะวันนี้ใช่ไหมฮะมาถึงกระดูกอะไรตอนนี้พ่อโยมอะ่ะสิ้นวันนัปีสามเจ็ดแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้น้องชายอ่ะน้องชายคนเดียวแล้วก็แม่โยมอะ่ะ เขาก็องรวบไว้หอใหญ่แล้วก็ตั้งโซบูชาอแล้วโยมก็บอกให้ไปลองคานไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้ลอยก็ได้ไม่ลอยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจแต่พ่อไม่เคยมารบหวนบอกไม่เป็นไรมันเป็นธาตุท่านเนี่ยเป็นดินน้ํานมไฟเป็นธาตุดินแล้วบาดีมันมีเรื่องติดขัดอยู่ตอนนั้นพ่อเขาเก็บอธิอมก็แต่ละอันน่ยแต่ละองค์นะฮะใหญ่มากเลยติดเก็ดตลาใสเนี่ยนะ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 โยมก็สบายใจแต่ก็ละเลึกถึงท่านทุกคืนเลยนะอ่านี้สาคัญกว่าละเลิกได้สาคัญกว่าละลึกหลางคมากเลยตาสายอาจัร์ะเลึกถึงพระเราจะได้กลัวบาปไม่กล้าทำบาปโยมไม่ชอบทาอยู่แล้วใช่ไหมโอเคนะแค่นี้ก่อนขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็เจริญปัญญาได้ความมรา